อันในข้อ326ร้ยี่สิบเอ่ยย่อหน้าแรกย่อหน้าแรกข้างบนนั้นจะเป็นวิธีการสร้างวัตะในโลกของปุถุชนที่สร้างวัตะก็ตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาเนี่ยนะเห็นอัตตานี่แหละว่ามีรูปอัตตานี่มีเวทนาอัตตามีสัญญาอัตตามีสังขารอัตตามีวิญญาณตามเห็นไปอีกว่า เวรูปอยู่ในอัตตาเวทนาอยู่ในอัตตาสัญญาก็อยู่ในอัตตาสังขารและวิญญาณก็อยู่ในอัตตาหรืออัตตาเนี่ยไปสิงอยู่ในรูปอัตตาเนี่ยไปสิงอยู่ในเวทนาในสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณแต่นี้เป็นเกิดจากความเข้าใจผิดอ่ะ น, นะอย่างเช่นก็บอกว่าถ้าเป็นสมัยใหม่ก็บอกว่าโคศกออกมาประกาศทางหน้าทีวีเนี่ยนะเขาออกมาจริงจริงอยู่ตรงหน้าจอทีวีเลยไหมเอาแล้ว เ, เขาออกมาได้ยังไงอ่ะนะ ชั้นใดก็ดีเนี่ยไอความเข้าใจผิดเนี่ยอย่างในสมัยก่อนก็เปิดวิทยุฟังเออคนนี้ทําไมมาเล่นดนตรีอะไรในในกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอะไรเงี้ยนะผีสิงหรือเปล่ามีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าอันนั้นเป็นที่จริงแล้วพวกทีวีพวกวิทยุพวกโทรศัพท์พวกอะไรเป็นต้นเนี่ยมันเป็นกลไกลเนี่ยนะมันเป็นกลไกลสังขารทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็มองให้เป็นกลไกลเหมือนกันเรียกว่าเลยเรียกว่าสังสาระสังสารจักรเนี่ยนะเป็นสังสารจากักรเป็นกลไกลแต่ไม่ใช่กลไกลเชิงรูปธรรม แต่เป็ น, นกลไกทั้งรูปธรรมและนามธรรมกลไกที่เป็นทางโลกเนี่ยนะพวกทีวีโทรทัศน์พว ก, TV, พ ว, กวิทยุเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกคอมพิวเตอร์พวกนี้มั น, นกลไกของอันเดียวคืออุตตุชรูปอันเดียวแต่ร่างกายเนี่ยนะมันมีทั้งจิตตชรูปมีทั้งอาหารชรูปมีทั้งอุตุชรูปเนี่ยนะกรรมาชรูปจิตตชรูปอาหารชรูปอุตุชรูปอยู่ในกายเนี่ยนะเพราะมันซับซ้อนยิ่งกว่ายิ่งกว่าอะยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ ยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ยิ่งกว่าพิทยุโทรทัศน์เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็รากาแล้วในส่วนของรูปแล้วในส่วนของนามมาทำทั้งหลายยังแบ่งเป็นเวทนาเป็นสัญญาแล้วก็เป็นสังขารเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งความเข้าใจผิดมหาศาลเป็นที่ตั้งแห่งความเขาเข้าใจผิดอย่างอย่างรุนแรงมากเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตนเป็นของตนเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นตนเนี่ยนะเพราะฉะนั้น สําหรับภารยะทั้งหลายก็จะเห็นใส่ใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกลือ ก, กล้วไปด้วยชาติชราและมรณะเนี่ยแต่คําว่าชาติชาลามรณะนี่บวกอะไรไปหมดบวกอะไรรู้ไหมบวกสงครามบวกสารพัดโรคบวกธรมาหากินบวกบวกบวกอุ้ยเยอะมากเลยนะบวกยังไงอก็อย่างที่เห็นอยู่ในโลกเนี่ยสารพัดทุกข์ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีขันทุกเหล่านี้จะมีไหมไม่มี เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกโอ้ทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินถ้าเขาไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาจะมีทุกข์แบบนั้นไหมลําบากเหลือเกินเนี่ยนะถ้าไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะลําบากแบบนั้นไหมมีรอกเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหมดเลยก็เรียกว่าทุกข์ทั้งมวลมาจากอุปาิคือขันทูปะิเพราะมีขันนี่แหละจึงมีทุกข์มีขันไม่มีทุกข์รักเนี่ยนะแต่ก็ไม่ใช่จะระขันได้ง่ายๆนะขันเนี่ยโอ้อะไรจะละยากเท่าขันไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะ แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ไปละในสิ่งที่น่าเกลียดใช่ไหมสิ่งน่าน่าเกลียดมไหมอยากละอยู่แล้วอะ่ะแต่ละในสิ่งที่ไรสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกอะไรที่ตัวเองภูมิใจที่สุดนั่นแหละคือวัตถุที่ตัวเองต้องละและว้ว ง, งั้นฮะแต่คําว่าละก็แปลไปเขีนไปฆ่าไปอะไรก็คือตัดอะไรตัดชั้นธราคะด้วยสมถะและวิปัสสนานั่นเองในหน้าห้ารดเนี่ยนะ ไม่ใช่ ข, ข้อไปอห้าร้อยแปหน้า326เป็นคําถามของผู้ที่สําเร็จเป็นพระอริยเจ้าแล้วเนี่ยนะซึ่งเป็นการถามเพื่อจะเชื่อมโยงไปอีกหลายเรื่องก็เลยย้อนกลับมาทบทวนอีกเพราะคําถามในตั้งแต่อุปาทานและอุปาทา น, นขันความคําถามส ก, กายะความเกิดขึ้นแห่งส ก, กายะความดับแห่งส ก, กายะก็เป็นการวก กลับไปถามเรื่องสัจจะทบทนอีกครั้งหนึ่งก็คือเท่ากับสักกายสักกายสมุทัยอ่ะนะสักกายกับสักกายสมุทัยก็คืออะไรสักกายทิฐิเกิดอย่างไรส่วนสักกายนิโรธกับสักกายนิโรธคามินีปฏิปทาก็คือวิธีดับสักกายทั้งหลายทีนี้ไอ้ข้อปฏิบัติเพื่อดับสักกายเนี่ยพ้นมรรคแปดไหมเพราะฉะนั้นวิสาขอุบาสกจึงถามว่า ทางหรืออริยมรรคที่ประกอบไปด้วยองค์แปที่เป็นทางพ้นจากกิเลสหรือพ้นจากวัตตะเป็นอย่างไรธรรมทินาภิกษุณีก็ตอบว่าก็หนทางหรือทางอันประกอบไปด้วยองค์8ที่เป็นอริยะเนี่ยมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือทางที่เพื่อความดับกิเลสทางเพื่อความพ้นทุกข์มีอยู่ทางเดียวทางเดียวก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแหมก็แปลว่าเห็นชอบเนี่ยนะเห็นชอบแปลว่าอันไหนที่ฉันชอบก็ดูอันนั้นบ่อยๆอยงรหรือเปล่า แล้วก็เห็นชอบก็เห็นอย่างที่ชอบชอบดูทีวีก็ต้องดูทีวีบ่อยๆไงนะเรียกว่าเห็นชอบอา่าวไม่ได้แปลว่าชอบเห็นหรอกแปลว่าเห็นถูกต้องเนี่ยนะถูกเห็นความจริงเหมือนกันเถอะเห็นความจริงเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะนะสัมมาสังกปปะคิดอ่าคิดให้เป็นกุศลแล้วก็คิดเพื่อจะให้น้อมไปเพื่อแทงตลอดความจริงเนี่ยนะนะแล้วก็ คิดดูว่าเห็นยังไรคิดอย่างไรพูดอย่างไรทําอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรเพียรอย่างไรระลึกอย่างไรตั้งจิตอย่างไรจึงจะแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละใช่เลยเพวันสัมมาทิฏฐิจึงเห็นอริยสัจสัมมาสังกปะกุศลสังกปรสามสัมมาวาจาเว้นจากวจีทุจริตสี่สัมมากรรมตะเว้นจากกายทุจริตสมสัมมาชีวะเว้นจากกายทุจริตและวจีทุจริตในการเลี้ยงอาชีพในการประกอบอาชีพแล้วก็สัมมาวายมะ สัมมาประธานสี่สัมมาสติสติประธานสี่สัมมาส ม, มาธิสติประธานสี่ทีนี้คําถามต่อไปเนี่ยคำถามเกี่ยวกับมรรคสัจจะและนิโรสัจจะเนี่ยนะว่าเขค่จะ ถ, ถามว่ามรรคสัจจะกับนิโรสัจจะนั้นมีความแตกต่างกันเป็นต้นอย่างไรถามว่าอริยมรรคมีองแปดเป็นสังฆตาธรรมหรือเป็นอสังฆตาธรรมะนะก็บอก พระธรรมทินาภิกษุณีก็บอกว่าอริยมรรคมีองค์8ปดนั้นเป็นสังคตะธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือนิพพานนี้เป็นอสังคตะธรรมเป็นธรรมที่ดับสังคตะเพราะนอริยมรรคนั้นเป็นธรรมที่เป็นสังคตะเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมที่มีปัจจัยเนี่ยสร้างขึ้นในภาษาทสูตรเนี่ยนะภาษาทสูตรที่กล่าวถึงอ น, นิสงส์ของสัธธาวา ทำทั้งหลายที่เป็นสังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะมีประมาณเท่าใดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดพระพุทธเจ้า ก, กล่าวว่าเป็นเลิศแห่งสังคตะธรรมทั้งปวงนั้นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเนี่ยปรุงยากที่สุดแต่งยากที่สุดเนี่ยนะเป็นที่เรียกว่าเป็นยาที่เรียกว่าประกอบยากมากเลยนะแตเป็นยาที่ประกอบยากมากเป็นรถเป็นญานะที่ประกอบยากมากกว่าจะสําเร็จเนี่ยนะ คนที่ไม่มีบุญเป็นต้นเนี่ยยากที่จะประกอบได้สําเร็จเพราะอะไรเพราะอย่างนางวิสาขาเนี่ยประกอบประกอบกว่าจะได้มร์อันนั้นมาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แสนกับพระนนแสนกับพระสารีบุตรหนึ่งอสงไข่แสนกับพระปเจศสองอสงไข่แสนกับพระพุทธเจ้าสี่อสงไข่แสนกับมิหน่าในใจของเรามร์แบบไม่ยอมเกิดสักทีหนึ่งนะใช่ไหม สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะไม่ยอมมาประชุมกันที่สภาเนะสภาคือใจของเราเลยนะถ้าสมมุติว่ามองรูปธรรมเหมือนสภานะขออภัยมองจิตเนี่ยเหมือนสภาแล้วก็ต้องมีมุขมนตรีทั้งแปดท่านเนี่ยมานั่งประชุมกันตัดสินว่าพ้นอบาลอย่างเงี้ยนะมานั่งประชุมกันว่าตัดสินว่าเปพ้นนรกเปรตสุรกายเดรัจฉานแล้วเนี่ยนะ เรียว่ามาประกอบกัรทากิจแหมสภาฯนี้เปิดยากมากเลยนะให้รัฐมนตรีทั้งแปดท่านเนี่ยมาประชุมในใจเราเนี่ยนะแมสัมมาธิธิเป็นต้นเนี่ยมาป็นั่งเป็นประธานในการประชุมกันเนี่ยนะสามัคคีกันเนี่ยมให้ใจของเราอ่ะเพราะใจของเราเนี่ยน้อมไปให้สัมมาธิฏฐิเกิดในอิริยาบททั้งสี่ไหมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยน้อมไปเพื่อให้สัมมาธิฏฐิเกิดไหม น้อมไปเพื่อให้สัมมาสังกปะเกิดขึ้นทุกยืนเดินนั่งนอนไหมน้อมไปให้สัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเ น, young, истории, นี่ยเกิดขึ้นในทุกอิริยาบทไหมสมัยก่อนเนี่ยนะเขาน้อมมากอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นความที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยนะน้อมไปเพื่อให้อริยมรรคเ น, months, นี่ยเกิดขึ้นในทุกอิริยาบทบางองค์เนี่ยบรรลุมรรคเนี่ยนะ จเจริญมรรคสาเร็จตอนเดินบินทบาท น, นะตอนเห็นคนอื่นเขารำเนี่ยมรรคแปดก็เกิดขึ้นจเจริญขึ้นได้เห็นคนอื่นรมเช่นพญ า, านาคาสมาละเนี่ยนะเห็นคนอื่นรมก็บรุลุแล้วบางองค์เนี่ยฝนตกพรำพรำเช้ารุ่งอรุณก่อนสว่างก็บรรลุได้แล้วบางองค์ก็ไปอยู่ในถ้ำบรรลุแล้วบางองค์เนี่ยกลางคืนเนี่ยฝันฝันว่าขี่ช้างตื่นขึ้นมาพิจารณาสังเวชเจริญมรรคแล้วก็บรรลุแล้ว บางอ ง, เ น, น ง, องเนี่ยนะั่งร้องให้เนี่ยร้องให้ไปร้องให้มามีคนมาทักหน่อยก็ บ, บรุนละอย่างนั้นะเขาประชุมเขาสร้างอ่ะเพราะจิตของเขาน้อมไปเพื่อให้อริยมรรคทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นในในใจเนี่ยนะเขาน้อมไปให้อริยมรรคทั้งหลายนีย่เจริญใน ใ, นใจนี่ทํำยังไงใจของเราจรึงจะน้อมไปเพื่อให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นถ้า พ, พูดถึงว่าคนที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะเขามีอัธยาศัยแปดก็ไม่ผิด อัธยาศัยแปดคืออะไรอัธยาศัยน้อมไปเพื่อให้สัมมาทิฏฐิเนี่ยเจริญน้อมไปเพื่อให้สัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะน้อมให้มันเกิดขึ้นในใจในเขาเขามีใจน้อมไปอย่างนั้นนะะเหมือนกับคนที่เรียกว่าคนคนอะไรคนมักหิวก็เห็นอะไรมันก็น้อมไปกินได้ทุกอิริยาบถใช่ไหมคนที่ชอบกินอ่ะนะ ก็น้อมไปรับประทานได้ในทุกอิริยาบถอันนี้ก็เหมือนกันคนที่เจริญมรรคแปดน้อมให้เจริญได้ในทุกอิริยาบถจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแล้วบางคนเนี่ยบรรลุแบบไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนก็มีใครพระนนจะว่ายืนก็ไม่ใช่จังว่ายืนก็ไม่ใช่จะงว่านั่งก็ไม่ใช่จะว่านอนก็ไม่ใช่เพราะเอียงเียงตัวเตรียมจะนอนเนี่ยนะบรรลุแล้วหัวยังไม่ถึงหมอนแล้วบรรลุแล้วนี่ยนะประชมอริยมรรคได้สำเร็จเนี่ยในะของเราเนี่ยประชุมสําเร็จตอนไหนเนาะ แม้แต่ว่าใจดูแหมใจเออมันช่างแห้งแรงแท้เนี่ยนะอะถ้าใจแห้งแรงบ่อยๆเนี่ยมันรู้ได้ไหมอุ้ยอาริยมรคเขาไม่ประชุมห้องอะไรมันอบอ้าวขนาดนั้นร้อนนาดนั้นะะมรคไม่มาประชุมในห้องที่มันอบอ้าวขนาดนั้นรอนเลนะดูว่าใจของเราเนี่ยมันขึ้อะไรเตรียมใจพอหรือยังเตรียมใจสําเร็จหรือยังให้มรคแปดเนี่ยนะมันดูว่าเออเนี่ยมันเป็นยังไงมัน ถ้าเปรียบใจเหมือนวิหารเนี่ยนะดูซิสร้างพรหมวิหารเนี่ยให้มักแปดเข้ามาประชุมในนั้นสําเร็จไหมเนยนะถ้าเปรียบเหมือนเป็นสภานะเป็นพรหมวิหารเนี่ยนะเป็นทิพพระวิหารเนี่ยพอที่จะให้ผ้าเรียเจ้ า, านะคุณธรรมที่สร้างความเป็นผ้าเรียเจ้ามาตัดสินใจอะไรอยู่ในใจเราได้ไหมเนี่ยเพราะต้องตั้งอัตตสัมมาปณิที่สมาทานในการเจริญ กุศลธรรมนี่ให้บ่อยๆเนี่ยนะผู้ทางสรารนังฆาฉามิเนี่ยต้องว่าให้บ่อยๆเนี่ยนะว่าให้ใจของเราเนี่ยน้อมไปน้อมไปที่จะมีพระรัตนตรายเป็นอารมณ์ที่ตั้งมัน่นน้อมไปที่จะตั้งมั่นในพระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็พระสังฆคุณเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการศึกษาการปฏิบัติในชั้นสูงนั้นอ่ะปฏิเสธเรื่องสารณคมไม่ได้เลยตั้งแต่แรกเนี่ยนะท่านผู้ทางธรรมังสังฆสราสรนังฆาฉามีเนี่ยจึงจําเป็นมาก เขาจึงบอกว่าผู้ที่เป็นภาริยานี่จึงมีความเลื่อมใสยอย่างชนินดที่เรียกว่าไม่เปลี่ยนใจจากพรตรตนะตายจะฆ่าให้ตายก็เลิกนับถือไม่ได้เนี่ยนะที่นี้อ่าทวนีกครั้งหนึ่งว่าอริยมรตมีองค์8นี่แหละเป็นสิ่งที่สร้างยากที่สุดปรุงยากที่สุดทํายากที่สุดเนี่ยนะแต่ว่าประเสริฐที่สุดเพะชนเหล่าใดเลื่อมใสในมรตแปชนเหล่านั้นย่อมได้รับผลอันเลิศ เออ น, นี่ดีอย่างงี้นะก็กมรแปดเนี่ยดีเยี่ยมว่าถ้าผู้ใดเลื่อมใสในมรกแปดผู้นั้นก็จะพ้นจากทุกคนที่เลื่อมใสในมรกแปดก็คือเลื่อมใสในขั น, มนสมาธิแล้วก็ปัญญานั่นแหละก็เรียกว่าถ้าชอบมรกแปดแล้วใจเราจะน้อมไปเจริญอะไร ถ้าเลื่อมใสในมักแปอย่างเขาบอกคนชอบเพลงเนี่ยนะยืนก็ร้องเพลงนั่งก็ร้องเพลงนอนก็ร้องเพลงถ้าคนที่ชอบมักแปแล้วก็ยังไงมันก็น้อมไปเพื่อเจริญมักแปดถ้าใจเนี่ยน้อมไปเพื่อเจริญองค์มักแต่ละองค์แต่ละองค์จนจนเข้ามานั่งสามัคคีกันทํางานพร้อมกันเนี่ยนะตัดสินนะตัดสินพิพากษาว่าแกพ้นอบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วเหมือนกันนะแกเลิกเกิดในคันอีก7ชาติแบบแกก็เลิกเกิดในการมาพบแล้วเนี่ยนะ ปรินิพานในสุท่าว่าเธอเนี่ยนะเขาตัดสินแหมแต่มรักแปดเนี่ยสร้างในใจเนี่ยรพระองค์บอกว่าอะไรนะมรักแปดที่มีในใจของพระองค์เนี่ยพระองค์บอกว่ามันได้มาโดยยากนะทานที่ไม่เคยให้กว่าจะได้มรักแปดไม่มีอย่านะีศีลที่ไม่เคยรักษาเพื่อให้เจริญมรักแปดเนี่ยที่ไม่เคยรักษาไม่มีภาวนาเนี่ยธรมะที่ไม่เคยเจริญเพื่อให้ได้มีมรักแปดเจริญปัญญา จเจริญเรียกว่าบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมัภิปรมีสิบสร้างทั้งหมดก็เพื่อให้อารยมรรคเนี่ยมันประชุมเกิดขึ้นในใจอย่ามาเอ้ยตอนนั่งฟังธรรมนะมันสบายสบายใจอย่างเงี้ยนะดูท่ามันมันม น, น่าจะเกิดได้ใช่ไหมมรรคแปดตอนมีเรื่องอะไรไม่สบายใจเนี่ยนะโอ้โหส ม, มาทิฏฐิมันจะมาได้ยังไงแล้วเนี่ยมีวิแววบ้างไหมนนะตอนที่แบบงงๆงเลยเนี่ยนะมันจะมรรคแปดจะเข้ามาได้ไหมอาอริยมรรคเขาจะแทรกมาตรงไหนได้บ้างเนี่ยเสมเข้ามาตรงไหน ก็อันนี้พ้องพยายามชำระใจให้ให้เป็นโอปัญิโกะนะน้อมไปเพื่อเจริญอริยมรรคหรือน้อมอริยมรรคเนี่ยมาเกิดในใจให้ได้นี่นะมันทำมาคุณที่เรียกว่าโอปัญิโกเนี่ยน้อมอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดเกิดขึ้นในใจให้ได้ก็เรียกว่าโอปัญิโกเนี่ยนะแต่ก็คํานี้ก็ก็ถือว่าเป็นคําที่เขามาก็เรียนยากเข้าใจยากพอสมควรอ่ะนะก็พอจะเข้าใจก็บอกโอ้ก็น้อมมรรคแปดให้มันเกิดในใจเนี่ยนะ ก, กว่าจะน้มใจอยากให้มีมรรคแปดเกิดขึ้นในใจจริงๆก็ไม่ง่ายคือคือตอนที่ฟังเราก็บอกเออดีดี ด, ด, ดีเออเห็นด้วยมีประโยชน์ไหยแต่ให้มันน้อมเข้าจริงมันไม่อยากจะน้อมอ่ดีไหมบอกดีเอาไหมเอาไว้ก่อนเนี่ยนะเขาบอกว่าทุกคนก็บอกว่าอีทปิโสพัควาอารังสัมมาสัมพุโทโธดีไหมดีสวดเลยไหมเอ๊ยยังไม่ได้เวลามากก <c oughs> ็คือมันคล้ายๆแบบนี้มันมันจะไปอะไรเนี่ยนะคือใจมันไม่นี่ ยินดีในกุศลธรรมชนิดที่เรียกว่าคู่ควรแก่การตรัสรู้เนี่ยนะแต่เราก็ต้องมายอมรับสภาพที่เป็นจริงว่าตอนนี้ความจริงเราขณะนี้สภาพจิตเราเป็นอย่างไร